ขอความสุขความเจริญจะมีได้ท่านสัตวชนทั้งหลายการบรรยายประสุทธ์ในวันนี้จะพูดเรื่องอริหารนิยสูตรคือสูตรที่ว่าโดยทางแห่งความเจริญคือว่าการโดยหลักความจริงแล้วกุศลและธรรมทั้งหลายก็เป็นทางแห่งความเจริญทั้งนั้นวันสูตรที่มีชื่ออย่างนี้เราก็เคยเจอหลายสูตร ตะเรียกว่าอริหาณิยะสุดตอนก่อนได้เคยพูดถึงอริหานิยธรรมลธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเจริญแต่องค์ธรรมนั้นไม่ได้ซ้ํากันเพียงแต่ว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วนี่เนื้อหาจะเป็นอย่างเดียวกันก็คือกระจัดความเสื่อมก็สร้างความเจริญให้มันเกิดขึ้น ทรงแสดงไว้เพียงสี่ข้อก็เป็นบทบรรยัติที่เราเคยเจอในเรื่องเจรณะสิ้านั่นอยู่ในสี่ข้อแรกของเจรณะสิทธ้าเตอธิบายพระพุทธคุณเรื่องวิชาจรณะสัมปันโนพระพุทเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเจรณะจึงเป็นกลุ่มธรรมะสามกลุ่ม มาเรียงลำดับกันเป็นความประนีตของจิตในข้อแรกก็เรียกว่าสำรวมระวังในศีลศีลก็คือบทบัญญัติที่มีการศึกษามีการสมาทานหมายความว่าในการปฏิบัตินั้นจะปฏิบัติในบทบัญญัติของศีล และในขณนะดเดียวกันก็ปิดกั้นเหตุที่จะให้เป็นการละเมิดศีลหรือเสียศีลเวลาทรงสแสดงจริงๆต้องใช้คำว่าสำรวมในพระปาติโมกข์หมายความว่าสำรวมในบทบัญญัติของสิกขาบทตามสถานะของใครนะทั่ญาจารได้เคยบอกไว้ แล้วถ้าเราลองสังเกตดูในพระไตรปิฎกเองเวลาพูดนั้นไม่ค่อยพูดถึงศีพระอะไรหรอกพูดถึงสีห้าเนี่ยมากเพราะีห้าเขาเป็นฐานเป็นฐานหลักของความดีทั้งหลายว่าการสํารวมระวังในในบทปัญญัติหลักก็คือศีแต่บ้านทั่วไปก็คือสีห้า ศีนแปดสีบุตสดตลอดไปจนศีนของพระของพิษุณีซึ่งในภาพปฏิบัติแล้วเป็นศีนห้าที่ประนีชขึ้นแต่นั้นเนองท่านหลายลอดสังเกตนะว่าปาราชิกสีของพระที่จริงก็คือผิดศีห้าสี่ข้อแรกมันเป็นเรื่องเดียวกันนะเพียงแต่ว่า มันเป็นบทลงโทษในปัจจุบันกันไหมชาวบ้านรับศีลห้าไปแล้วบางทีก็ผ่านไม่กี่ชั่วโมงก็แล้วเมื่อศีลเฉยๆก็ไม่มีใครทำอะไรแต่พอถึงพระก็ปรากฏว่าไม่มีบังคับไว้ก็มีคาสัตว์รักทุ่มพิจิตในกามนะผู้เทศเพื่อนกันนนะ่ะนยืจะสลับข้อจะหน่อย ก็กลายเป็นมาตรการที่ตามให้พ่ายแพ้คือตามให้ต้องสึกจากความเป็นพระออกไปสินเหล่าอื่นมันก็เชื่อมเชื่อมจากตรงนี้เย ก, กับเรื่องกายเรื่องทรัพย์สินเรื่องทางเพศเรื่องภาษาการพูดแล้วก็เรื่องสิ่งเสียบติดมันก็หมุนวนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็สมบูรณ์ด้วยอาจาระ คือความประพฤติการเสียของคนหรือเสียของพระหรือชาวบ้านก็ตา่างนะจะเห็นว่ามันจะมีอยู่สี่เรื่องใหญ่เรียกว่าเรื่องศีลเรื่องอาจฉระแล้วก็เรื่องอาชีพเรื่องความเห็นดีหรือเสียกันอยู่กัน สรงนี้มั น, ม, นมันบทสรุปแล้วเนี่ยมันมันจะอยู่สี่เรื่องเรื่องศีลก็คือการประพฤติปฏิบัติแต่บทปัญญาตินั้นๆเราอาจจะไม่บกพร่องหรอกแต่บางทีเนี่ยพฤติกรรมการไปการมากันอยู่ของเราเนี่ยมันน่าสงสัยเอเข้าไปในด้านเล่าทำอะไรเข้าไปในโรงภาพยนตร์ทำอะไร เรื่องการพนันข้าไปทำอะไรอะไรเนะี่ยคือคนก็สงสัยมันไม่เหมาะวรแก่สถานะของผู้มีศีลหรือผู้ที่รักษาศีลเขาเรียกอาจารยระแปลว่ามัน ญ, ญาติด้วยความประพฤติมันเป็นตัวสะทส้อนศีลด้วยเป็นข้อปริกย่อยทั้งหลายที่เรารวบเวลาเรียกวิ น, นัยของพระเจ้าเขาเรียกรวบอย่างนั้นนะ เรียกว่าพุทธบัญญัติแล้วพิสมาจาร์สองอย่างนี้รวมกันก็เรียกว่าวินัยอาจาระคือความประพฤติที่เหมาะที่ควรแก่สถานะของบุคคลบางทีมันมั น, ม, นมันไม่เอะิดศีอะไรนะแต่ว่ามันเสียความรู้สึกคนที่ประสบพบเห็นก็มีความรู้สึกขัดแยง้งว่าผู้มีศีไม่น่าจะทำอย่างนี้นะ แต่ถามมาต้องอบัตอะไรมันไม่มีอ่ะไม่มีอบัตไม่มีบทปัญญัติของศีลไว้เพราะฉะนั้นเวลาสอนนี่ยทรงสอนเรื่องอาจารย์แล้วก็สถานที่ที่เราจะไปท่านเดียกว่าขุดจอตรงนั้นควรไปตรงนี้ไม่ควรไปคนนั้นไปได้คนนี้ไปไม่ได้ะแต่งตัวอย่างนั้นไปได้แต่งตัวแต่งอ แ, แต่งตัวอย่างนี้ไปไม่ได้เป็นต้นเนี่ย มันมีเงื่อนไขบังคับอยู่เยอะที่จริงแล้วคนเราถูกจำกัดด้วยสถานภาพของเราจริงตว่ามันเกิดเป็นมโนธรรมสำนึกมองเห็นความเหมาะความควรหรือไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็งดเว้นในเรื่องที่ควรงดเว้นตรงนี้ประพืติปฏิบัติได้ และในการพิจปฏิบัติได้นั้ น, นเราสังเกตมันเกี่ยวกับการละเทศะกลุ่มคนบุคคลด้วยจะถามมันั่งยังไงเรียบร้อยจริงๆเราต้องถามมานั่งที่ไหนนั่งที่ไหนนั่งกับใครถ้าเรานั่งคนเดียวนั่งไงก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรก็กระเบนตีรังกาไงก็ได้ว่าแต่นั่งในที่บางแข่งตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้อีกแห่งไม่เรียบร้อยเพราะ มันจะไปถูกจํากัดโดยการละโดยเวลาโดยสถานที่โดยกลุ่มคนโดยบุคคลแล้วก็สอดรับกับสถานะของเราแม้จะมีตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าสถานะของเราไม่มได้อยู่ในจุดนั้นที่จะไปทําอย่างนั้นได้สำหรับเรามันก็ไม่เหมาะที่จะทําอย่างนั้นตรงนี้จึงกลายเป็นความระมียดละวมงเป็นจิตสานึกที่มีความต่อนืง ตรงใช้ ก, ชก็ว่ามันญาติและโคจรคือสถานที่ที่จะเทียบไปอย่างต้นบรรยัญญติของพระวินัยที่เกี่ยวกับพระอยู่ในที่รับกับผู้หญิงสองต่อสอ ง, งนะฮะจริงๆพระอนุรุตนะฮะต้นบรรยัญญติพระอรหันนะไม่มีปัญหาหรอกสรับพระอนุรุษนะแต่มันมีปัญหา ในเรืงความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นเพราะความเป็นอรหันต์อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ที่ที่มันเป็นยี่ห้ออะไรผิดดไปอรหันต์อยู่ที่จิตของท่านแล้วไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์แล้วก็พระเป็นพระธรรมดาก็ยุ่งเพราะพระพพเจ้าก็บัญญัติพระวินยัยที่จริงต้นบัญญั ต, ติทั้งหลายของพระวินัยเนี่ยมีน้อยนะที่พระอาหารหันต์เป็นต้นบัญญัติ แต่ตรงนี้ปรากฏว่าต้นบัญญัติเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอนุชาของพุทธเจ้าใช่ได้นั่นคืออะไรคือสถานที่สถานที่ไม่ควรพักนะ่ะที่จริงมันก็เป็นเป็นที่พักกันนะเนที่พักเห็นไหมว่าเจ้าของบ้านก็ไปหาเรื่องกับพระเองหรือก็ยุ่งกันหน่อยจนถึงกับจิตสำนึกที่ทรงใช้คําว่า มีปกติเห็นหน้ากลัวไในโทษแม้เพียงเล็กน้อยเป็นอาการของความรังเกียจบาปหมายความไงหมายความว่าศีลเข้าถึงใจรักษาศีลจนใจมันเป็นศีลเป็นคนรังเกียจขยะขยงในสิ่งที่เป็นบาปบาปก็คือบาปนะะมันเหมือนกับไฟแม้น้อยก็คือไฟ ยาพิษน้อยก็คือยาพิษงูพิษน้อยก็คืองูพิษตัวเล็กก็คืองูพิษเนี่ยฮะกัดตายได้ดังนั้นนะเพราะงั้นเอ่อคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลจริงๆจึ ง, จ ง, จ ง, จ ง, จงต้องมีพื้นฐานรังเกียจบาปคือบางทีเราก็ได้อะไรน ะ, ะแต่เนว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ได้วิธีได้นะฮะมันไม่เหมาะไม่ควร ตัวสิ่งที่เราได้ไม่มีปัญหาแต่วิธีการได้นี่ไม่เหมาะไม่ควรเราไม่เอาเพราะว่าของนั้นมันมีอายุการใช้สอยแต่ว่าบาปนั้นมันมันติดใจอยู่ดานคนที่ละอายบาปเขาไม่เอาบาปมันติดใจแต่อันนี้มันติดโลกเราจะถือครองครอบครองอยู่ได้ก็ระยะเวลาสั้นๆ น, นในสุดเราก็ต้องทิ้งสิ่งเดียานั้นไป พันพื้นฐานตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นคนที่มีปกติคือพื้นอัธยาศัยพื้นอัธยาศัยรังเกียจบาปท่านยังอุปมาเหมือนนอกต้อยติวิดนะฮะเหมือนจามารีเหมือนนอกจูงนะฮะนกต้อยติวิดเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่บาลีมีเยอะ ท่านบอกว่านกต้อยติวิทเนี่ยเขาเข้าใจว่าก็ากลัวฟ้าจะถลม่มเวลาเขานอนเนี่ยเขานอนงายแล้วก็เท้าชี้ขึ้นฟ้าเพื่อคิดว่าฟ้าถลม่มจะเอาเท้ายันฟ้าไว้ได้เขาป้องกันฟองไข่ของเขาคือจะนอนงายท้าฟองไข่ไวุ้ปกรณ์เป็นยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ ว, ว่าในบาลีท่านบอกว่ายัางไง แล้วก็จจามรีรัการักษาขนหางก็าบอกจามรีนั้นจะถนุถนอมขนหางเขามากแท้จจามรีเป็นราชูปพงคหนึ่งในห้านะก็ยิ่งไปเป็นควายจะนิดหนึ่งที่โป๊ทิเบตก็เลี้ยงแต่ก็ใช้เอานมก็ทำเนยเป็นอาหารก็เป็นฟูฟ้งๆไงทิเบตก็เลี้ยงฟุงฟ้งๆ เวลาแกวิ่งหนีอันตรายเนี่ยถ้าหางแกไปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยแกจะหยุดทันทีแกจะไม่วิ่งกลัวหางจะขาดยอมยอมตายไม่ยอมหางขาดมันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวกระตุ้นที่สร้างแนวมโนธรรมสำนึกที่เรามาปลุกราวกัน น, นะฮะว่าพระจมารีมรักษาขนหางมันโดยยอมตายไม่ยอมทำลายขนหาง คนคนดีต้องรักษาธรรมะโดยยอมสละชีวิตนะเราจะเห็นว่าในแนวของพุทธศาสนสุภาษิตที่จริงพระเจ้าสุตโสมเป็นกฎกล่านะพระเจ้านำมาเล่าว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาวัยวะพึงสละวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่อนุสอนถึงธรรมะธรรมะตรงนี้จริงๆแล้วนะเป็นสัจจะปฏิญาณ ที่เราให้ไว้ปฏิญาณไว้กับใครยังไงกันมันถึงคราวที่จะต้องทําตามปฏิญาณเหล่านั้นแต่ว่าเราต้องเดือดร้อนมากเก็บปวดมากจนถึงก็อาจจะตายตายก็ตายเพราะไม่ตายวันนี้ก็ตายต่อไปสัตบุรุษก็ไม่ได้อะไรนะฮะไม่อะไรจะดีในในชีวิตร่างกายแต่ไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายนะหมายความถึงข่าวตายก็ตาย แต่ไม่ถึงข่าวตายก็ไม่พยายามให้ตายเพราะอะไรเพราะพยายามนั้นมันเป็นผิดธรรมดาผิดธรรมชาติทีนี้การใบเศษความตายมันก็ผิดธรรมชาติเพราะว่าคนเราก็ตายอยู่แล้วยังไงก็ตายอยู่แล้วเพราะฉะนัน้ท่านจึงไม่เดือดร้อนด้วยการอยู่แล้วก็ด้วยการตายอยู่ท่านก็ไม่เดือดร้อนตายท่านก็ไม่เดือดร้อน เพราะท่านไม่แข็งขืนก็ธรรมาดาคนที่เดือดร้อนเพราะท่านไปแข็งขืนแล้วบางทีก็ต้องทำบาปเพิ่มนะฮะเพื่อผลประโยชน์อะไรต่ออะไรต่างตัวเพรา ะ, ะนนคนระดับนี้พร้อมจะเสียสละชีวิตเพื่อให้สละทั้งทรัพย์ทั้งอภิญญะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมะของเราก็มาเหมือนกัน นะเสียศีลสงวนสักไว้วงหงเสียสักสู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไว้นาเสียสัตว์ไปเสียสู้ชีพม้อยมรณายอมเหมือนกันนะนะยอมตายเหมือนกันแต่คนเรามักยอมตายเฉพาะตอนร้องเพลงไงนะไม่ยอมจริงเนะี่ยชอบร้องเพลงนะยอมตายเยอะเลยเพลงคนเรานิยมตายเยอะนะฮะชาติยอมสละแม้ชีวีตายนะฮะระเกียรจจงเจตีชีพได้ตายอีกแล้ว รกราตรูปกดีรองบาทรักษ า, ศ า, ศา park, issimo, รานเสือไส้พระเกลือพระศาสนาตายสองคนก็ร้องเพลงนะฮะก็ทำได้ขนาร้องเพลงเป็นเรื่องของการมองการวินิจฉัยนะฮะมันถึงคราวหนึ่งเขาเรียกว่าถึงทางต้องเลือกต้องเจ็บปวดทำยังไงให้เจ็บปวดน้อยที่สุด เราจะเห็นว่าตรงนี้ท่านจะมองในช่วงยาวช่วงสั้นถ้าเราดูช่วงสั้นๆคือมองชีวิตสั้นๆเกิดคนเดียวตายคนเดียวนี่คนจะรับผิดชอบน้อยแต่ผู้ศาสนามองสังสารวัติเป็นวงจรไม่รู้จบผลชีวิตแต่ละชาติเปนกันนิดเดียนิดเดียนดเดียวท่านจะไม่เห็นแก่ชีวิตสั้นๆแต่จะเห็นในช่วงยาว นาทึงๆอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้าทีกิติโกศลเนี่ยนะครับตรีสอนทีกวุกุมารอาดูลดวงจิตบิดาจงฟังพ่อว่าจงเห็นแก่การยาวนานจะเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวนไปรานระงับรูปผูกเวนกันแล้วก็มองอีกสองจุดว่าการผูกเวนกับการไม่ผูกเวนเนี่ยอะไรมันให้ผลยาวอะไรมันให้ผลสั้น เราเห็นว่าการผูกเวรเนี่ยจะให้จะให้โทษยาวนานเกิด ม, มันมันข้ามพพข้ามชาติมันเป็นสังสาราวัติมันจองล้างจองผ่านกันตลอดไปะอย่างที่สมเด็จพระพุทธาจาเน่พระวัดอินทันต่อยกันสมัยก่อนนะฮะไม่ใช่สมัยนี้ขาวว่าท่านเตะตะกล้อกกันทะเลาะกันแล้วก็ต่อยสมเด็จก็ามา ถึงตังองตังฟ้องกันนะแล้วเสร็จแล้วท่านก็ถามคนนี้ก็สารภาพความจริงองค์ที่ต่อยก่อนท่านก็บอกผมต่อยก่อนสมเด็ดผกไม่ใช่อีกองคนึงต่อยก่อนองค์ที่ถูกต่อยทีหลังถูกต่อยนะฮะท่านบอกองคนั้นแหละต่อยก่อนต่อยก่อนยังไงก็แสดงว่าในชาติก่อนเนี่ยคุณเคยต่อยเข้ามาชาตินี้เขายังต่อยขุ้นนั่นคือมองในช่วงยาว มันเป็นอารมณ์ขำที่เรียกว่าจะแก้ปัญหาได้นะฮะก็ทำให้ไม่ต้องผูกเวรผูกภัยกันส่วนก า, การสร้างเวรสร้างภัยเนี่ยมันจะมีผลเป็นความทุกข์ความทรมานตลอดกาลยาวนั้นแต่ว่าการไม่ผูกเวรผูกภยัยมันก็อานมวยประโยชน์สุขยาวนานมัน แต่เรารู้สึกว่าถ้าได้แก้แค้นมันสะใจดีสะใจดีมันมันดีนะคนจะมองในจุดนี้เพราะงั้นพระเจ้าที่กิติท่านบอกใหญ่เห็นแก่สั้นเกินกันมันสั้นมันสะใจนิดเดียวแต่ว่าบาปมันนานนะท่านบาปนานกี่ภพ ก, กี่ชาติก็ไม่รู้ว่าไปฆ่าเขาเนี่ยเพราะงั้นใหเห็นแก่สั้นจงเห็นแก่ยาวเพราะว่าเวนั้นจะระ ง, งับได้ก็ด้วยไม่จงเวน พอถ้าเรายุติการจองเวรแล้วนี่ประโยชน์สุขยาวนานเลยนี่คืการมองเราจะเห็นว่าบัณฑิตท่านจะมองโครงเดียวกันตลอดโครงสร้างเดียวกันตลอดจะไม่ขัดแย้งกันในความเป็นบัณฑิตเพราะอะไรเพราะว่าทิฏฐิคือความเห็นของท่านไม่วิบตัติอย่างที่พูดเลยศีลวิบตัติอาชีววิบตัติอาชีพเป็นวิบัติใยความมาการเลี้ยงชีพเราเนี่ยสร้างบาป เนื้อบาปหนังบาปสร้างบาปเยอะเต่แล้วก็ชอบชนอะไรอะไรมาแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกแล้วตัวเองก็เอานารกไปติดตัวไปตกนรกเขาเรียกอาชีวะวันวิบัติแล้วเราเราก็วิบัติเพราะอาชีวะเพราะอาชีพที่จริงตอนนี้มีข่าวคลาวอะไรน่าดูเยอะนะฮะน่าเป็นบทเรียนของสังคมแต่ว่าเราไม่ได้มองเองน่าน่าึกษ า, ายเยอะ แล้วก็อาจาระคือความเป็นพืชวิบัติเที่ว่าทีนี้เบัณฑิตทิฏฐิท่านไม่วิบัติคือทิฐิท่านท่านท่านท่านตรงกันตัวอย่างจะเห็นว่าคนหลายยุคหลายสมัยนะที่ทิฏฐิยกมาเนี่ยแต่ความเห็นก็จะสอดคล้องกันเพราะเ้ามองกระบวนการของบาปของบุญมองในแนวกระสังสารวัตรชีวิตไม่ใช่ช่วงสั้นๆชีวิตแต่ละชาติมันสั้นจริงๆแล้วมันเป็นขณะมาต่อกันเฉยๆ ทีนี้ดาบใดตีเงื่อนไขให้ต่อมันก็ต่อกันอยู่อย่างเงี้ยต่อกันอยู่รำไปนอกจากว่าตัดสาเหตุของเงื่อนต่อของทังสารวัาให้ขาดอย่างที่เคยพูดเรื่องเรื่องปฏิจจสมบาทนะฮะท่านจะเห็นว่ามันมีเงื่อนต่ออยู่สามต่อเขาว่าอดีตต่อปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันนะเหตุไม่ใช่ปัจจุบันผลเนี่ยนะฮะต่อจากต่อกับปัจจุบันเหตุแล้วก็อดีตอดีต ปัจจุบันเหตุต่อจะต่อกับอนาคตผลคือปความมาเหตุในอดีตมาสร้างผลในปัจจุบันแล้วผลในปัจจุบันมาสร้างเหตุในปัจจุบันจากเหตุในปัจจุบันมันก็สร้างผลต่อไปในอนาคตมันก็ถยอยกันไองเป็นคลื่นๆนะเป็นคลื่นๆเหมือนการสืบสายวงศ์สกุลเพรขะงั้นพอมาถึงจุดนี้ท่านบอกว่ามีปกติเห็นหน้ากลัวในโทษสักว่าเล็กน้อย สมาทานศึกษาสัมเนียบในสิกขาบทต่างๆสมาทานก็คือการรับศีลเนี่ยแล้วก็ศึกษาก็คือปฏิบัตินะ่ยศึกษาตัวนี้หมายถึงปฏิบัติ ด, ด้วยเรามาย้องเรียนด้วยคือเรื่องศีลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องพูดง่ายๆนะฮะมันมันมันอะไรเรามันมีเงื่อนไขวันเยอะเลยตรงนี้ว่าอย่างนี้ตรงนี้ว่าอย่างนี้ตรงนี้ว่าอย่างนี้เรื่องเดียรเนี่ยมันอยู่ตั้งหลายแห่งนะ ทีนีคนคบางทีไปอ่านอะไรนี้เนี่ยไปไปพูดมันไม่ได้หรอกมันต้องต้องค้นก็จริงนะฮะต้องคนต้องศึกษาจริงๆต้องอ่านกันจริงๆเลยเพื่จะเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดเนี่ยต้องมีความรอบรู้อรพอสมควรนะฮะไม่ไม่จะวันนึกจะพูดก็พูดหรอกอย่างน้อยที่สุด สมมุติว่าเราจะพูดเรื่องศีลของของชาวบ้านน่ยนะอย่างน้อยก็น่าจะอ่านหนังสือเบญจศีลเบญจธรรมให้จบแล้วเข้าใจหนะังสือเล่มนั้นเนี่ย น, นะฮะไดจะพูดได้ถูกต้องเพราะท่านจะบอกไว้ว่ายังไงเป็นอย่างไรแต่ก็ให้รายละเอียดเลยจะถ้าพูดเรื่องศีลพระอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอ่านวินัยามุขให้จบหรืออ่านบุปสิกขาวานานาให้จบถ้ายังไม่จบอย่าพูดเลยยุ่งสร้างปัญหา เพราะว่าบางทีในข้อมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าไอ้ความสมบูรณ์ไปอยู่ตอนปลายปลายพูดอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ท่านก็ว่าไปความสมบูรณ์จะไปอยู่ที่ปลายในภาคปฏิบัติก็จะเป็นอย่างไงภาคปฏิบัติท่านยังบอกว่าศึกษาสำเนียกในสิกขาบทาการไหลสำเนียกก็คือใช้ปัญญาพิจารณาํานวณคานวณโบราณ น, นะจ๊ะสำเนียกนะฮะสำเนียกศึกษาสำเนียกว่านะ ศึกษาท่านเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนั่นคือชั้นของสีแต่เราลองสังเกตว่าละเอียดจะเกิดนะฮะลึกลงไปอีกเยอะเลยใจิตใจปรับเข้าไปมีความมั่นคงประการต่อไปนั้นก็คือหลักของอินทรีย์สังวรอันนี้เจอเรื่อยที่สุดเลยอินทรีย์สังวรมันเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมโลกกับเรา เราเชื่อมกับโลกด้ยอินทรีย์สังวรด้วยตานะฮะด้วยด้วยด้วยประสาทสัมผัสเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราเชื่อมโลกกับเราเรากับโลกมันเชื่อม ก, กันด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารับรู้โลกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ในความเป็นโลกมันมันสลับซับซ้อนเรือเกินมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งทา ง, ทางเสื่อมทางเจริญทางสุขทาง ười, ười, ười, ทุกข์เหตุเกิดกิเลสเหตเกิดธรรมะคาสอนแนวสํารวมระวัง เป็นการมองเฉพาะในกรณีที่จะเกิดกิเลสนะฮะไ ม, ม่ได้พูดเรื่องธรรมะระมัดระวังตรงไหนคือการถือทรงใช้คำว่าอริยสาวกคือคนดีในโลกนี้เมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิกก่นนิมนตรเป็นต้นไม่ถือโดยนิมิตคํานิมิตคือแยกส่วนถือแยก แยกส่วนกําหนดทั้งรักทั้งชังนะไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะรักทั้งรักทั้งชังทั้งชอบทั้งไม่ชอบอ่ะเช่นสมมติวรถมันก็เราก็ชอบส่วนใดส่วนหนึ่งคนเราก็ชอบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนแต่ไม่จะชอบทั้งหมดนะเขาเรียกว่าถือโดยนิมิตไม่ใช่ถือโดยนิมิตจะถือหมดนะฮะถือหมดเหมือนกับรถทั้งคันบ้านทั้งหลังคนทั้งคนไก่ทั้งตัวอะไรแต่แมวทั้งตัวเนี่ยคือชอบหมดเลย แล้วก็ถือโดยอนุพยัญชนะคือแยกแยกถืออันนั้นสวยอันนั้นไม่สวยอะไรแต่อะไรเนี่ยก็แยกถือทีนี้ถ้าสวยมากๆเนี่ยถ้าสวยมากๆมันก็อยู่ในจุดเดียวกันในที่เดียวกันก็ตกลบคือมันมันมีส่วนบกพร่องน้อยนะฮะมีส่วนบกพร่องน้อยคนก็เกิดความชอบหรือว่าส่วนที่เราไม่ชอบมากๆเราจะเกิดความไม่ชอบ สแสดงว่าใจมันก็แกลงไปด้วยอำ น, นาจของความรักความชังไม่ได้สอนในแนวไม่ให้ดูนะอินทรสีสังวรไม่ได้สอนในแนวไม่ให้ดูแต่สอนในแนวสำรวมระวังเมื่อเห็นนะเมื่อได้ยินเมื่อสุดดมเมื่อลิ้มเมือม่อจับต้องโดยการไปแก้ปัญหาที่ใจเราย่ายใจเกิดความยิน ด, ดีจนเกินไปหรือยินราจนเกินไป หมายความว่าถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ไปเพิ่มไปเพิ่มกิเลสไปเพิ่มโลภะไปเพิ่มโทสะแล้วก็เพิ่มโมหะนะคือกำลังคิดว่าจะทำยังไงนะเป็นลำแสงไอ้เราก็มไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่เป็นคิดออกมาเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้นะเมื่อวานก็นั่งนั่งฟังปฏิโมโหหรือคิดธรรมะไปหายไปเลย คือเราจะเห็นว่ามันมันจะมีลักษณะมุขชาตนะฮะมันจะเป็นภาพสามแฉกสามเหลี่ยมน ะ, ะแยกเป็นแฉก ร, รูปเป็นมันจะเป็นรูปของอวิชาแล้วก็ออกมาแตกแฉกเป็นสามแฉกเป็นโลผ้โตัวสามมอห์ทีีมอีกแฉกหนึ่งมันเป็นรูปของวิชาแล้วก็แตกแยกเป็น ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันมองว่าเป็นพลังของการต่อสู้กันคือเราอาจจะมองหอยินหยางหยินหยางนั้นเขาพูดในแง่ผู้หญิงผู้ชายแต่มามองเป็นรูปของภิชาอวิชารูปของพลังสองตัวนะที่ต่อสู้กันพลังเย็นพลังร้อนพลังสุขพลังทุกข์พลังธรรมะพลังอาธรรมนะ เดียวหยินอยางยินยางที่รูปปลาสองตัวลูก ป, ปลาสองตัวปลาดำปลาขาวนะฮะของเราจือก็คิดในรูปของของผู้หญิงผู้ชายแต่มองไปยังไงก็ได้นะฮะเราก็มองเป็นกุศลอกุศลเพราะพุทธศาสนาถือว่าธรรมะเป็นกุศล เ, เป็นสุกธรรมคือฝ่ายขาวแล้วก็อกุศลก็คือการหัดธรรมเล็วควายดำยินคิดเป็นลูปปลาสองตัว ที่ต่มาเป็นลูกปลาสองตัวก็วนั่งคิดจากจุดนี้ว่าไอ้พลังแสงที่มันเกิดจากวิชาจะเป็นแสงไงนะฮะคืออะไรก็ตามถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคือมากไความเราไม่หลงนะนะเราไม่หลงเราไม่โง่แล้วเราจะไม่โกรธเราไม่โง่แล้วเราจะไม่โกรธแล้วเราจะไม่โลภแต่ที่เราโง่เนี่ย ไม่ใช่ที่เราโลภที่เราโกดเนี่ยเพราะเราโง่เสี้ยวโง่เนี่ยเพราะอะไรเพราะอาวิชชามันก็มาจากกิริยาเพราะหลักการในทางพุทธศาสนามันก็เพิมวิชาซึ่งเป็นแสงอวิชชานั้นเป็นมืดวิชามันเป็นแสงสว่างมันก็พุ่งแสงออกมาเป็นสามแสงเพราะเขารู้วิชาในแปลว่ารู้เนี่ยเพราะเขารู้เนี่ยเขาไม่โลภเพราะเขารู้เขายังไม่โกรธ พราะเขารู้เขาจึงไม่หลงและจากความไม่โลค ไ, ไม่โกรธไม่หลงมันมุ่งไปสลายตัวความโรคของโกรธวามหลงตัวอวิชาก็กลายเป็นวิชาไปคือรู้ปัญหาว่าตัวออมันหายไปไหนออมันมาอยู่ที่ออมันทําโลคโกรธหลงให้เป็นไม่โลคไม่โกรธไม่หลงคือเป็นอะโลภะอะโทสะโมหะเมื่อก่อนเป็นโลภะโทสะโมหะมันจึงกำลังจะคิดเอาเป็นรูป มันจะคิดเอามาเป็นรูปมันจะสร้างเอามาเป็นภาพไปนะแล้วทํายังไงจึงจะสร้างขึ้นมาเป็นภาพได้ถ้าเราทําได้อธิบายเป็นชาตินะฮะเป็นชาติแล้วก็ทําเป็นตัวอะไรอะไรขึ้นมาเนี่ยคงคงจะพูดกับเด็กได้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้มันมั น, ม, นมันเกิดปัญหาเยอะที่ว่าชาวบ้านเองก็กระตือรือร้นนะฮะอยากเข้าใจอยากรู้อยา่าง ให้อธิบายธรรมแต่ว่าคนที่ช่วยอธิบายเขามันก็มีได้น้อยนะอาจจะเขาอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะอะไรเนี่ยนะแต่จริงตเอาใช้พวกสื่อพวกนี้ออกไปต่างโทรทัศน์หือว่าตอนนี้ อ, อสมทก็ให้รายการโทรทัศน์้าวันวนะนะแต่ทำได้แค่สองวัน มันมีจะตังค์พอจะตังค์มาเท่าสมาคมได้สามสามล้านสามแสนสามแสนทำได้สิบวันก็วันนี้จะลองประชุมมาดูว่าจะไปยังไงเราจะคิดตรงเนี้ยแต่ทีนี้ตรงนี้มันมันเป็นหัวรุ่งนะตีห้าครึ่งน้อช้านี่ก็ออกอ่ะตีห้าครึ่งคนไม่ค่อยตื่น่ะ คนยังไม่ค่อตื่นกันก็ทําให้ไปทําอะไรก็คงจะอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนะฮะบาง ค, คนส่วนใหญ่ก็จะหลับเลยตื่นขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามห้องน้ําอาบน้ำอะไรแต่ไหนนะอยู่ตามห้องน้ําเราไม่เคยได้ดูแต่คนต้องทําไปก่อนนะมาทํำยังไงเราจะเราจะอธิบายเป็นภาพรวมๆได้แล้ให้ให้เห็นที่เป็นรูปธรรม ปกติมันชักกรเยอะกันอยู่นะชักกรเยอะกันอยู่แต่ให้เราสังเกตว่าจงไหนเรารู้เนี่ยเราไม่โลภไม่โกรธไม่ดองรู้ตามความเป็นจริงพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ายะถาภูตะญาณทัศนะรู้เห็นตามความจริงแล้วไม่โลภไม่โกรธไม่ต้องอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเราเดินไปถึงคนมีคนหนึ่งด่าเราเราจะวูบขึ้นโกรธพอเขาบอกคนนี้แกบ้าก็ ย, ยืนด่าจะดูว่าเราหาย นั่นคือเห็นจิตที่ชัดมากว่าถ้าพอเรารู้ปั๊บเนี่ยเราจะไม่โกรธเราจะไม่โลภเราจะไม่หลงแต่ต้องรู้จริงๆไง น, นะต้องรู้จริงๆเพราะฉะนพเจ้าพระหันก็แปลว่าผู้รู้นะครับตอรู้จริงรู้เห็นทำความจริงแล้วก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็คิดจากกิเลสสามตัวเนี่ยนะคิดจากคิดจากเนี้ยโลภธาตุสามองคิดจากอวิชชากับวิชากับสองขัวกก็พอแล้วนะะ ท่าก็วาก็ทำยังไงจะคิดเป็นรูปธรรมได้เพราะน้นตรงนี้คือการสัมบรว์เพื่อไม่ให้เพิ่มอวิชชาหมายความว่าอะไรที่เราไม่ควรใส่ใจก็จะใส่ใจสะบ้างนะในการสํารวมนั้นมันมันจะมีอยู่หลายระดับระดับนี้เป็นระดับที่เรียกว่า หมายความมาภูมิรานทานโรคเราไม่แกล่งพอนะฮะเราไม่สูดเข้าไป เ, เราไม่ดูไม่ไม่ฟัง เ, เลยหรือไม่ใส่ใจพวกแง่วไม่ใส่ใจ เ, เลยอาจจะต้องเห็นต้องต้องยินต้องสูดลมต้องริ้มต้องจับต้อ ง, ตองแต่เราไม่ใส่ใจเล อ, อีกแนวหนึ่งเนี่ยในแต่าะหลายลองสังเกตแนวสมถะกับวิปัสสนานะฮะสมถะนั้นคือเราสงบใจ เ, เลย สงบใจีปเลยไม่เหนียวนึกไม่ตึกตึกมาอยู่กับกุศลธรรมเราสร้างตัวกุศลธรรมขึ้นต่อต้านต่อต้านกิเลสแต่วิปัสสนาชนเลยนะฮะหมายความว่ากิเลสมาก็ชนเลยมันไม่ได้สนใจว่ามันมันเป็นอะไรจะคิดยังไงเพราะแนวการปฏิบัติแนวหนึ่งที่พระเจ้าทรงทรงสอนเนี่ยมายความว่า ใส่ใจเรื่องอะไรก็ตามกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นก็อย่าใส่ใจอย่าใส่ใจนะฮะเพราะอะไรเพราะบางทีมันมั่วที่เคยเล่าเรื่องประสูรยยะเนี่ยเราจะเห็นว่าประสูรยะเห็นพระหมหากระจายนะที่เป็นภาษากระจายนะฮะภาษากระจายเมื่ อ, อก่อนหล่อมากเลยสวยมากคนนึกว่าพรุทธเจ้ า, าไปอะพระมหากราาจะจายนะเดินมา พระหมากระจายนะ์คิดสมมติให้พระไม่ใช่ท่านโสระยะนี่คิดให้พระหมากระใจยนะเหมือนกับเมียตัวเองอยากได้เมียหล่อเมียสวยเหมือนกับพระหมากระจจยนะ์เห็นไหมเห็นพระอาหารหันต์ยังคิดลามกได้เพราะมันจุ ก, กมันอยู่ที่ใจอะ่ะอยู่ที่ใจคนมันคิดยังไงวัตถุเป็นที่ตั้งของสัทธาสทธาสาทะยังคิดสโสกโปรได้ตัวนี้จริง ไม่ได้สนใจที่ตัววัตถุว่ามองว่าเราจะหาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้ยังไงอินเดียสองสองบอบางอย่างเนี่ยนะครับเราคงระคงสำรวจไม่ทันนะฮะสารวจไม่ทันแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าตัดเลยเข้าตัดเข้าวินิจฉัยเข้าศึกษาหาความจริงของสิ่งเหล่านั้นระดับนี้จริงค่อนข้างทำยาก ก็เราจะหาประโยชน์ได้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีระดับวิปัสสนาเนี่ยจะหาประโยชน์ได้หมดแต่ว่าความรู้เห็นต้องแจ่มแจ้งนะความรู้เห็นต้องแจ่มแจ้งชัดเจนดังนั้นส่วนทวนใหญ่เนี่ยจะมองในแนวให้เห็นโทษของการไม่สํารวจระวังคือมายังมองปัญหาสังคม ป, ปัญหาก็เรียกว่า แล้วทางอารมณ์ทางสังคมทางเศรษฐกษิจทางการเมืองอะไรต่ออะไรปัจจุบันที่มันมีปัญหามากเลยคื อ, อยังนึกว่าสังคมเนี่ยมันไหลไปตามกระแสมันไหลไปตามกระแสเมื่อวานเนี่ยมั น, ม, น, ม, นมันเหมือนกับพายุบุกแฉมานะฮะมีคำถามโอ้โหมันตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่สสี่โมงเช้านะฮะ ขนาดันเพลนก็มานักข่าวบ้างอะไรแต่มาหรืต้องวิเคราะห์ให้นักข่าวก็ฟังเพราะปัญหาเรื่องทันยันตะที่พูดกันว่นนีนะ้ไม่มีใครเห็นจริงเลยเชื่อผู้หญิงสามคนนั่นเองแล้วข้อร่ า, รางด้วยคนต่างชาติเลยมาจากไหนเป็นลูกเต้าหรอใครไม่มีใครรู้เลยทุกคนี่มาจากความเชื่อคนสามคนซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เห็นจริงเลยนะคน เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องมาสจั์มากกว่าชาวพูดเราเป็นอย่างนี้เลยที่คุยว่ารู้ว่าตื่นมาเบิกบานจริงอย่างนี้มีใครประสบ ก, การณ์ตรงไหมไ ม, ไม่ไม่มีเลยนะฮะถามนักข่าวอ่ะเธอเธอลงข่าวนี้มาสองเดือนกว่าแล้วเธอรู้จริงหรือเปล่าแล้วคนที่เธอไปถามมีใครรู้จริงบ้างสักคนหนึน่ไม่มีอนะทุกคนเชื่อผู้หญิงสามคนนะัะนที่มาจะต่างชาติวันนี้อยู่ที่ไหนกนะันเปเรื่องแปลกมาก และจริงๆผู้หญิงสามคนนี้นี่มีคนเดียวแตนเองปรากฏสองคนนี้ไม่รู้เห็นในรูปถ่ายเห็นในรูปถ่ายนะแล้วคนที่เขียนน่ะคนไทยเขียนน่ะคำฟ้องหลาี่ไม่ใช่ผู้หญิงเขียนเป็นเรื่องแปลกนะถามนักข่าวว่าคุณหยุดคิดตัวนี้อย่าอย่าไปสร้างบาปมากเดือนนี้มันมันแม้แต่นักวิจารารเนี่ยไม่มีใครเห็นนะนะ ไม่มีใครเห็นจริงไม่มีใครรู้จริงแล้วก็เชื่อแล้วเชื่อใครก็ไม่รู้เป็นเรื่องปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อในวงการดาวพุธแต่ไม่ได้หมายความว่ามาเชื่อว่าไม่จริงนะฮะเรามองถึงกระแสความคิดที่เราไปเชื่อเราไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูไม่ได้สูดดมด้วยจมูกไม่ได้อะไรเลยนะ ไม่ไม่ได้สัมผัสตรงเรียกว่าไม่ได้นำมาตรงใช้ความ น, น้อมใจเชื่อแล้วก็วัตถุบุคคลก็ไม่คิดว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อวิธีพุทธแด น, นเขาให้เชื่อในบุคคลในวัตถุในบุคคลที่ควรเชื่อนะอย่างที่เราพูดเรื่องประสูตร ก, ก่อนนะฮะประสูกรณ์สองที่แล้วที่พระเจ้าสใช้ยคำว่าลักษณะพานนะฮนะคือติคนที่ควรยกย่อง ยกย่องคนที่ควรตำหนิไม่ใคร่ควรพิจารณาให้รอบคอบแล้วติคนที่ควรที่ควรยกย่องตำหนิไม่ใช่อตำหนิคนที่ควรยกย่องยกย่องคนที่คว ร, ควรตำหนิไม่พิจารณาเทียบเคียงให้รอบคอบแล้วให้ความเคารพนับถือในคนที่ไม่ควรเคารพนับถือ ไม่พิจารณาเทียบเคียงโดยรอบความแล้วไม่นับถือในคนที่ควรนับถือเห็นไหมเราเราเราเร า, เรา เ, ราเราเกิดหลงไปข้าพานก็บคนผา่านนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณลักษณะของพุท ธ, ธะที่รู้ตื่น่นะฮะรู้ตื่นรู้ปัญญาเนี่ยเราเกิดโลภะโทสะเกิดโทสะเกิดโลภะเพราะเราไม่รู้ ตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดมากๆนะแล้วเรื่องเนี้ยยืดเยื้อมาถึงสี่ทุ่เมื่อคืนเวรกรรมอะไรมันทั้งวันเลยเมื่อวานเยืดเยื้อมาถึงสี่ทุ่มป่ะมาคนยังมามาโทรศรัพท์มา้างมาม้างโอ้ยไปมันเป็นยังไงไปได้ใกลกลก็เป็นศูนย์อะไจริงๆมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครนะฮะไม่รู้มเกี่ยวเรื่องอะไรกันขึ้นมาแต่เราได้ดูอย่างหนึ่งว่าคนเราเรื่องนี้นั้นพิสูจน์ใจคนนะว่าใช้ความเชื่อ เนเรื่องหน้าขุนเพราะอะไรว่าต่อไปใครจะโฆษณายังไงเราก็เชื่อและจะเชื่อง่ายนะพอแตะยี่ห้อฝรัง่งเขาหน่อยเดียวเสร็จแล้วเม็ดยินยูเอเอมาตอนนั้เสร็จแล้วอันตรายนะเราไม่เชื่อคนของเราเราไม่เชื่อพระของเราเราไม่เชื่อคนของเราแล้วคนที่เข้ารับรองนี่มันเยอะเลยเกินนะแล้วเครดิตดีๆตอนนั้นเลยก็เนรับรองมาเนี่ยเป็นปึงป๊งๆนะฮะก็ เ, เขียนกันมาเนี่ย ไม่มีใครสนใจคําพูดของท่านเหล่านี้เลยสักคนเดียวออันตรายมากๆแสดงว่าอินทรีย์สังวรมีปัญหาถูกยั่วยุนะฮใจไม่มีโยนิโสมณติกาจ่มาลักษณะการกระทบอารมณ์ตัวการสำคันคือตัวโ ย, โยนิโสมณติกาพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยวันแ ย, ย่ใครว่ากันตามจังหวะนะร้อนเราก็บอกว่าร้อนเย็นเราก็บอกว่าเย็น ถูกเราก็บอกว่าถูกแต่มันมันมีกฎเกณฑ์มีอะไรในการวินิจฉัยแต่ละเรื่องแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตที่อ่อนไหวกับข้อมูลที่ถูกนําเสนอโดยการปรุงแต่งของสื่อทั้งหลายนะ่ยมันเหมือนกับสโลกแกนการโฆษณาทั้งหลายที่เปนการปรุงแต่งเราก็เชื่อนะเราก็เชื่ออย่างอย่างที่เคยเล่าหยงฝางนาอะไรแล้ววันก่อนเด็กนักศึกษาหมอจันทร์ไหลนะเรี่ยนจบแล้วนะ ไอ้เจ๊กำลังเรียนอยู่แกบอกอาตามาว่ายางนะหลวงพ่อนะั้ะยางชนิดถึงอู้ปันขังมากเลยนะเอาทาที่เท้าคนนี่กดเพดานนี่ค่อยหัวลงได้เลมันเชื่อได้ไนะรู้จะมันเชื่อไปได้ยังไงทาที่รองรองเท้าแล้วกดเพดานเอาหัวลงได้มันเชื่อว่ามียางย า, งนานิดนี้ตานี้นักศึกษานะเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นภาพปรุงแต่งมาเฉย เป็นการโฆษณากาวตาช่างโฆษณากานั้นคือคือเราเห็นคนของเร า, าอ่อนไหวกับข้อมูลซึ่งมีการปรุงแต่งขึ้นมา น, นําเสนอโดยไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแต่เราเห็นทันทันถ้าเราอ่านให้ดีแม่แต่เขาบอกว่าไอ้ไอโทรศัพท์สยียอยเสียเยอะอะไรเนี่ยนะเรามาอ่านดูเนี่ยคือยมจะเห็นว่าข้อความไม่ต่อกันเลยข้อความไม่ต่อกัน พูดพูดเรื่องอะไรเนี่ยมาจากไหนนิ่งๆมาพูดเรื่องอะขึ้นมาดุยๆอย่างเงี้คือถ้าเราอ่านไปจังหวัดจังหวัดเอมข้อความมันพิโกนเนี่ยมันไม่ใช่คนพูดกันเอออย่างคนที่ ท, ที่ที่อะไรอะ่ะที่พูดเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะนะถ้าเราดูให้ให้ดีแล้วเนี่ยจะจะเห็นว่าเรื่องมันไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวแต่มันมันก็พิสูจน์อะไรว่าเราขาดหลักโยนในโซนพนักงาน ซึ่งก็หมายความว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะะโอกาสที่จะตกเป็นเครื่องมืออย่างอย่างแช่แม่เช่าม้อยแช่แม่นกแก้วอะไรอะไรเนี่แช่แม่นกแม่แม่เช่ามอ้อยอ่ะจะมาไปที่ที่ลบบุรีนะนายพลนะมันนั่งทหารนั่งอบรมทหารเสร็จแล้วอาจารย์ข้าวก็มานั่งตีวงคุยด้วยก็คุยเรื่องแช่แม่ชม่าม้อยมาตั้งปัญหาถามตั้งแต่นายพลตรีไปเลยตอบไม่ได้เลยนะ ถามมาซื้อน้ำมันที่ไหนประเทศอะไรบริษัทอะไรรับขนแล้วมากลั่นที่ไหนแล้วมาคลังน้ามันอยู่ที่ไหนแล้วมาปั๊มขายน้ามันอยู่ที่ไหนไม่ไม่รู้สักอันเดียวเลยรู้แต่ว่าจะได้เงินเยอนะนั่นเองอเนี้ยเราจะเห็นว่าจะถูกต้มได้เรื่อยๆตรงนี้พิสูจน์คนเนี่ยนะฮะเรื่องตรงนี้พิพิสูจน์คนว่า จะตกเป็นเครื่องมือได้ง่ายๆเพราะว่าเราไม่ได้กัองกรองข้อมูลอะไรเล ย, เลยไม่ได้ศึกษาข้อมูลเฮโลสลภ า, ากันไปเมื่อวานน่ยก็พูดเรื่องทะเบียนยนะฮะทะเบียนสมรสอะไรแต่อหนไม่ใช่ทูติบัตรุกมาเก่งทูติบัตมาอ่านแล้วนะอ่านแล้วก็มาให้อ่านแล้วมันไม่ได้ชื่ออย่างนั้นเนี่ยมันชื่อนิวัตรังสีส่วน ว่าเอ๊ะทำไมมันออกมันไปอย่างนั้นได้แกาบอกมีหลายใบยบอกถ้าหลายใบยมันก็มันก็ปลอมูฏิบัติมีได้ใบเดียวเองไงราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเล่นข่าวเนี่ยคุณต้องไปพิสูจน์ก่อนในฉบับไหนจริงมม่ไม่ใช่คุณเอาเอาเอาข้อมูลเหล่านี้มาหลอกลวงทั้งคนพิสูจน์ตรงนี้ก่อนอย่าพูดก่อนอันนี้คือคือคือแสดงวันภูมิปัญญา ในวิปัสสนาของเราเนี่ยน้อยนะฮะเราก็บางทีเราก็นั่งวิปัสสนาแต่ยังโง่ไม่รู้เรื่องอย่างนี่นะเพราะงั้นเป็นปัญหาที่ที่กระทบกระเทือนต่อสถานภาพของความเป็นพุทธพุทธเราไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นตูมไม่ตื่นตามแต่ตื่นตัวนะแต่ตื่นตัวไม่ได้ตื่นเต้นไม่ตื่นตูมไม่ตื่นตามแต่ตื่นตัวตื่นตัวนั้นอยู่ข้ไหน อยู่ข้อที่สี่นะครับเพราะงั้นอินทีิสังวรเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวการที่จะช่วยเกิดการต้องรหวังคือปัญญาโยนิโสมนสิการวินิจฉัยทันไหมวินิจฉัยทันไหมมันมีพิรุธมันมีความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้แต่เราจะเห็นลักษณะของเราเนี่ย เนี่ยอย่างแชร์ทั้งหลายเนี่ยพิเชิ่มมุเชื่อเนี่ยที่จริงไอเนี่ยมีเด็กมาหาตรมเยอะมากพุทธามตั้งคําถามนะเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เราตั้งคําถามได้แล้วก็หยุดไปได้ทั้งหลายคนนะะที่จะเข้าไปโวยมันได้อย่างนั้นอย่างนี้นั่งนับมันเป็นไปไม่ได้นะเราก็ตั้งคําถามก็คิดเอานะคิดเอาเราไม่ได้ห้ามอะไรเข้าเราไม่รู้เรื่องแต่เราตั้งคําถามได้เรื่องแค่นั้นเะนี่ยนะก็ สาี่คนมั้งหยุดไว้ได้เนี่ยหลายปีแล้วเพราะงั้นปัญหาตรงเนี้ไม่ใช่มันมันอ่อนตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไปอ่อนตรงอื่นด้วยแม้่ความเราจะอ่อนไหวกับ ก, บการโฆษณาสินค้าจากการโฆษณาชนเชื่อของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่มีการเคลื่อนไหวเยอะเนี่ยอย่างเวเนียเมืองเมืองไทยในถ้วยหน่วยหน่วยเอ็นจีโอที่เข้ามาจุ้นจ้านในเมืองเราเนี่ตั้งสามสิบกว่าองค์กร หลอกลวงต้มตุนชาวบ้านมั่วไปหมดเลยแล้วชาวบ้านเราก็มีคนเชื่อทุกทีนะปัญหาจึงค่อนข้างใหญ่แล้วค่อนข้างจะเป็นห่วงเราก็ทำอะไรไม่ได้มากเลยก็ก็ก็อยากจะมีส่วนร่วมนะส่วนร่วมในการช่วยเหลือเท่านั้นประการต่อไปนั้นคือโชพชเนวัตันยุตตาการรู้จักประมาณในการบริโภคพัานาใช่ปัญญาเหมือนกันเนี่ยนะครับ ใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันตัวประสาทโลกนั้นก็อยู่ได้ด้วยอาหารสเปสต า, าหา ร, รติทิกาคือคนเรามันยังไงยังไงมันต้องกินน่นะฮะเราต้องอยู่ด้วยอาหารตลอดจริงจริงเราอยู่ด้วยอาหารตลอดนะฮะโยมเพราะว่าอาหารมันมันมีตั้งสี่อย่างอาหารที่ผ่านเข้าไปทางปากก็เรียกเกาลิงกรบอาหาร อาหารที่เราก็ะทบเราเรียกพัฒนาอาหารอาหารที่เรารู้เรียกวิญญาณอาหารอาหารที่เราเจตจํานงเราจงใจเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารก็สแดสดงสรุปวเรามีอาหารตลอดอาหารคือสิ่งที่นําผลมาไม่รู้ว่าดีไม่ดีก็ไม่รู้ก็แล้วแต่มันก็นําผลมาทสองอย่างในการบริโภคพัตตาอาหารนั้นเราจเห็นาที่จริงมัแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาสังคมได้ด้วย อย่างที่บอกไว้ตะกี้เนี่ยว่าไอ้แรงโฆษณาอย่างแรงอาหารอะไรของฝรั่งมาเยอะจริงไม่รู้ไปยังไงรสยมสูงหมดเลยเด็กทีนี้น้ําดื่มมันไม่กินนะบางคนมันต้องกินป๊ปซี่โคล่าเนะโอ้โห น, น่ากลัวเลยรสยมสูงจังยังไงก็เอออยู่อย่างนี้มันก็เสร็จเนี่ยนะหาเงินในฝรั่งกันตายนะต่อไปก็หาเงินในฝรั่งกันนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่า การใช้ปัญญาเราใช้น้อยอาหารที่จริงมันก็เรียกว่าสาเร็จอาหารรากิจคือกิจที่เป็นหน้าที่ของอาหารกิจที่เป็นหน้าที่ของอาหารนั้นก็คือาากระจัดความหิวาากระจับความหิวเพิ่มพูนความอิ่มเพิ่มพูนเรียวแรงให้ร่างกายมีกาลังในการปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็เท่านั้นเองอะ่ะเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ ความหรูหราผู้ข้าร่ํารวยแสดงถึงสถานะอะไรต่อะไรแําเมจประโยชน์พระุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสรงใช้คำว่าอย่าปัาณมัดตังคือให้ชีวิตมันเป็นไปได้ให้ชีวิตมันเป็นไปได้คติไทยเราก็พูดดีแต่เถียงกันไม่รู้จบสักทีว่ากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินเถียงได้ทั้คู่นะฮะบางคนบอกว่าอยู่เพื่อกินบางคนบอกก็กินเพื่ออยู่แล้วก็เปลี่ยนฝ่ายเถียงกันได้อีก ยังหาข้อยุติไปได้จนจนเดี๋ยวนี้นะเมือกับซาบกับปัญญานะสังคมไทยเราเถียงกันมาตลอดซาบกับปัญญาอะไรดีกว่าการในของใหม่ของเก่าอะไรแต่เเถียงกันมาตลอดคำอภิปรายพวกนี้กับคู่กันมาตั้งแต่โบราณเนพะื่อนต้อมองแนวพุทธเนี่ยมุ่งที่จะแก้ปัญหาทางเ ศ, ษศษรษฐกิจปัญหาทางสุขภาพกายนะฮะ บริโภคน้อยก็ไม่ดีมากก็ไม่ดีนะมันมีปัญหาะนะั้นแล้วที่สำคัญยิง่งคือเป็นฐานในการบริบัตความเปลียนทางจิตเพราะถ้าอาหารเรามากเกินไปมันก็ตื้นนะก็ง่วงแล้วก็พออาหารย่อยมันไปกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่ากามาจาัานนะตาาน้อยมันก็กระับกระสาย นะก็งุดหิดโมโหหิวแล้วกลายเป็นํำคาญจนถึงกับเป็นโทสะเป็นพยาบาทคือเพิ่มชั่วดายเยอะนะฮะโมโหหิวนี่ไม่ได้อันตรายอันตรายมากคือหิวก็คื อ, ค, อ, ค, อคือมันอยากนะฮะมันอยากมันหิวเนี่ยมันแกเกิดได้ทั้งโลภะทั้งโทสะคืออยากจะกินอยากได้ถ้าไม่ได้จะเกิดโทสะอันตรายมาก แม้แต่เวลาพระเจ้าจะเทศเนี่ยจะเทศจะสอนจะต้องดูแลเรื่องกินเลยก่อนว่าอย่าให้เขาหิวหิวแล้วมันยุ่งแต่ว่าให้รู้จักประมาณเพราะถ้าไม่รู้จักประมาณก็จะหลับเหมือนกันนะนะักก็ไอเป็นอริยวงตรงนี้เน้นมากครท่านท่านต่างหลายหลอสังเกตว่า เรื่องอาหารตรงให้ความสำคัญขนาดไหนว่าโอวาตปฏิโมกขกข้อหลัง่งนะหข้อโอวาตปฏิโมกทั้งหมดมันสิบสองข้อแต่นั่นเองนะสิบสองข้อหกข้อหลังซึ่งเป็นวิธีการยังเอามัตตันยูตาเจปาตส์มิงเอาไว้รู้จักประมาณในพัตนาหารูร้จักประมาณในการรับประทานอาหารหรือแสดงว่ามั น, เ ป, นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก มากไปก็ไม่ดีนะฮะน้อยไปก็ไม่ดีต้องรู้จักประมาณแล้วไว้ทุกแห่งสัพพิสัมภสัพริสรธรรมก็ไว้นะฮะตรงนี้ก็ไว้ไว่าเยอะเลยเดี๋ยวข้อต่อไปนั้นคือชาคริยาโนโยกชาคารโที่แปลเป็นผู้ตื่นนะฮะเป็นผู้ตื่นหมายความว่าเป็นการใช้ความเพียรพยายามไม่ไม่เห็นแก่ น, นอน ไม่เห็นแก่การเองข้างการเคลื่มหลับการหาความสะดวก ส, สบายด้วยการนอนตะกี้นี่จะยินท่านยานโรดมอบรมพระดูเดือนดีพูด <c> ถ <oughs> ึงการใช้ชีวิตกินกินแล้วก็นอนนนกินกินแล้วก็นอ น, น, น, อน <c oughs> คือมันเป็นชีวิตที่ไร้สาระไร้สาระเหมือนหมูเหมือนหมาเราคานด้วยนะฮะหมากินอิ่มแล้วมันมันนอนพักแล้วลุกขึ้นห่าด้วย ตอนนี้ยทะเลาะกับาใบเลยจะอัดเทปกลางคืน่นนั่งอัดเทป พ, พูดไปได้หน่อยนี่ยหมาหอนฟักกันน้ยเราต้องยอมเขาเนะก็สงสารโยอมตอนนี้ทํารายการวิทยุเลยคนะรั้งดึกก็กกจะทํารายการวิทยุวันที่ทาไม่ได้เลยหมามดเถ้าตรงนั้นฟัดตรงนี้หอนตรงนู้นรอจ่จนดึกที่หนึ่ง ก็ขับเขีอยวกับหมาเนี่ยเดินก็ต้องหลบขี่หมาจะเทพก็ต้องกลัวเสียงหมาโอ้ยไม่ไหวแพ้หมาไอ้ตรงนี้ทำ อ, อะไรไดนะ้มันก็สู้หมาไม่ได้ทังนั้นการปฏิบัติบาเพ็ญเพียรเนี่ยนะท่านท่านท่านสอนในลักษณะวัาใหญ่เห็นแก่นอนมาก ใช้เวลาทำงานมากเพราะตัวทำงานเนี่ยเป็นตัวฆ่าของชีวิตตัวนอนจึงเป็นตัวพักผ่อนถ้านอนมากมันเป็นโมฆะมันเป็นความว่างเปล่าเป็นความศูนย์เปล่านอนเท่าที่ร่างกายมันต้องการจะนอนก็เรียกว่าสักเท่าไรถ้าบาเพ็ญเพียรทางจิตจริงๆในสี่ชั่วโมงพอนะแต่ว่าอยาไปทำงานอย่างอื่นทำงานหนึ่งกินสี่ชั่วโมงคงไม่พออาจจะถึงหกนะฮะถึงหก แต่ยังไงเบ็ดเสร็จ24ชั่วโมงไม่ควรจะเกิน8ชั่วโมงนะนะ8วันชักจะมากไปหน่อยคือเรียกว่าอาจจะกลางคืนด้วยกลางวันนิดหน่อยอนะ่าแต่ว่าสรุปแลป้วเบ็ดเสร็จเนี่ยย้ายเกิน8ชั่วโมงเกิดใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการมาเป็นเพียรเพราะงนนั้นพระเจ้าจะสอนในแนวการใช้เรียบทสลับเรียบทพระเจ้าไม่ให้เสมอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เสมอคือไม่ให้จะอยู่ในเรียบทใดเรียบทนหนึ่งนานเกินไป นะไม่ยืนานานเกินไปไม่ยืนนา น, านไม่เดินานานไม่นั่งานานไม่นอนานานคืออิเดียบที่สี่นี่ให้เปลี่ยนแปลงสลับเราจึงพบว่าแนวกรรมฐานเองนะฮะแนวกรรมฐานเองว่าเราอยู่ด้วยกรรมฐานแต่เราใช้ได้ทุกอิรดียบทนอนจงกรมนอนก็ได้นะฮะนอนเสีสรรยสญาติตั้งสติระ ล, ลึกอยู่แล้วก็กําหนดตอนหลับแล้วกําหนดเวลาตื่น พอตื่นปั๊บก็ลุกขึ้นพอเดินเราก็เดินด้วยสติในจงครมนั่งก็สติในที่ที่ลมอะไรก็ได้นะยืนก็สติระลึกรู้ที่ตัวหมายความว่าให้อยู่ด้วยกรรมฐานให้สติระลึกอยู่ที่ที่ธรรมะเรานันแล้วก็ ใหจิตใจมันเบิกบานนะให้จิตใจเบิกบานเครื่อชาคื่อยักษเป็นการใช้ความเพียรประกอบความเพียรและไม่เห็นแก่นนอนในขณะเดียวกันก็ปลุกตัวเองให้ตื่นเป็นการตื่นตัวอย่างที่บอกว่าตื่นตัวการใช้สติรแลึกรู้ทันสมมุติว่าเร า, เร า, เ, ราเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านน่าจะเห็นว่าเราก็ตื่นตัวตลอด ใจเราก็อยู่กับลมที่เราหายใจเข้าใจออกจะภาวนาหรือไม่ภาวนาอะไรก็ตามเพราะแนวการปฏิบัติเหล่านี้ทําให้วันเวลาของเราที่ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอไอสิ่งไร้สราระมันคงเกิดเหมือนกันแน่นะแต่เกิดน้อยหน่อยคือทําให้ค่าของชีวิตมันอยู่เส้นทางของบัณฑิตเพราะคนลักษณะของบัณฑิตคือคนฉลาดเนี่ย ใดก็คนที่สามารถบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นประโยชน์ตนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสมใก้คำว่ายึดถือเอาไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนเองและประโยชน์บุคคลอื่นนั้นเองประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าก็ยึดถือเอาไว้ได้ทั้งสองอย่างแนวการปฏิบัติทั้งสี่แนวนะฮะท่านท่านทั้งหลายลองสังเกตว่า เป็นการปิดกั้นกระแสกิเลสข้อ1นะข้อ1นี่นะนนปิดกั้นกระแสกิเลสขอสอ้อ2ป้องกันป้องกันกิเลสข้อที่3มทั้งป้องกันทั้งบำบัดข้อที่4ที่จริงเพิ่มธรรมะก็ที่ดีเป็นการเพิ่มธรรมะเป็นชาตริยานุ โ, นโยคเป็นการปฏิบัติเพิ่มธรรมะขึ้นไป เพราะเราเห็นภาพกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดมันไม่ได้เกิดหรือโอกาสเกิดน้อยกิเลส ท, ที่เกิดแล้วถูกบำบัดออกไปสแสดงว่ามันชักจะร้อยหลอลงลนะกิเลสมันก็ร้อยหลอธรรมะที่ยังไม่เกิดก็ได้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วได้รับการรักษาไว้เพราะความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของเราก็จะเกิดขึ้นก็คือว่าปริมาณธรรมะจะเพิ่มขึ้น ไปวางกิเจะลดลงใจเราก็จะได้สัมผัสสิ่งที่เป็นทางเจริญมาความมาทำตนเองให้สวัสดีศีลเองก็ยุติเวรภยัยไม่เป็นตัวดึงเวรภัยเข้ามาหาและไม่เป็นตัวสร้างเวรภยัยอินเสียสงวนนั้นป้องกันนะนะป้องกันเวรภัยไม่เข้ามา โภชนมตนัตัญญาตาเป็นการรับประทานอาหารเป็นการบริโภคอาหารโดยมีปัญญานะเขาเรียกว่าปัจเจเวกขณะพิจารณาในขณะนั้นนั้นเรื่องอาหารี่ทรงวางไว้สามช่วงนะฮะช่วงหนึ่งให้พิจารณาในแง่ของความปฏิกูลแต่จำเป็นจะต้องกิน เมื่อ น, น้มันหยอดเครื่องเนี่ยจะเป็นจะต้องหยอดและอีกอย่างหนึ่งก็พิจารณาในขณะนั้ น, น, นในขณะรับประทานจนถึงไปบอกไว้ว่าสังเกตดูว่าอีกสีห้าคำจะอิ่มแล้วก็หยุดได้แล้วดแล้วแล้วก็หลังจากรับประทานไปแล้วก็พิจารณาย้อนพิจารณาดูเพื่ออะไรเพื่อฝึกปลือจิตใจให้มองเห็นประโยชน์จริงๆที่เราจะได้จากการ แล้วให้เป็นอาหารกายจริงๆอย่าให้เป็นอาหารจิตนะฮะที่มีปัญหามเป็นอาหารจิตอยากดูอยากฟังอยากกินนี่เป็นอาหารกลงจิตแนวการใช้ความเพียรพยายามปฏิบัติตนเป็นคนตื่นตัวคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะความเพียร น, นะฮะมาเข้าสู่เดิมอีกเห็นนะฮะสติสัมปชัญญะความเพียรก็เสริมสร้างคุณลักษณะของพุทธะคือรู้คือตื่นคือเบิกบาน หมายความว่าเป็นผลสรุปรวบยอดที่เราจะได้จากการใช้ความเพียรทุกข้อเนี่ยมันก็เรื่องของความเพียรพัญญาเท่านั้นนี่คือเรื่องอริหานิยสูตรแปลว่าสูตรที่ป้องการขาจัดความเสือเส่อมสืบสร้างทางให้เกิดความเจริญซึ่งจะเสื่อมน้อยจเจริญมากยังไงมันก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นเป็นประการสําคัญ วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอ ค, ความเจริญงดงามไปบุตรในธรรมจกมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านคือ